ภาคอีสานนะคะเมื่อถึงหน้าฝนโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งมีฝนตกชุกท้องนาก็จะเจิ่งนองไปด้วยน้ําชุกชุมไปด้วยปลากบและก็เขียดด้วยเหตุนี้ค่ะคนภาคอีสานจึงได้ออกจับปลาแล้วก็จับกบจับเขียดดังกล่าวทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะสําหรับกลางวันเนื่องจากคนหาปลาหากบกันมากมีทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งคนแก่ บางคนก็เลยเลือกที่จะออกหากันตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีคนออกออกไปหากันเหมือนตอนกลางวันนะคะก็เลยหาปลาหากบได้มากกว่าแต่ว่าการออกหาปลาหากบในตอนกลางคืนเนี่ยก็ต้องมีตะเกียงแก๊สนะคะถ้าไม่มีแกส๊สไม่มีตะเกียงก็ไม่สามารถออกหาปลาหากบในเวลากลางคืนได้แต่ว่าการออกหาปลาแล้วก็กบในเวลากลางคืนเนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกัน คือจะต้องเสี่ยงกับพวกสัตว์เลื้อยคลานที่อาจจะมองไม่เห็นมาขบกัดเอาได้และที่สำคัญค่ะคือเสี่ยงกับการถูกผีหลอกด้วยดังเช่นเรื่องของนายอาคมเป็นตัวอย่างนะคะนายอาคมเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาดีอยู่คนหนึ่งเมื่อหน้าฝนในปี2530ค่ะขณะที่นายอาคมยังเรียนหนังสืออยู่พอวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็หยุดเรียนก็เลยได้ชวนพี่เขยนะคะไปออกไปหาปลากันในตอนกลางคืนค่ะ เมื่อเตรียมเครื่องมือก็คือตะเกียงแก๊สชนิดใช้ติดหน้าผากค่ะชุดต่อสายยางที่กระป๋องแก๊สคาดที่เอวนะคะแล้วก็ฉมวกแล้วก็ข้องใส่ปลาเรียบร้อยแล้วนายอาคมกับพี่เขยก็ออกจากบ้านมุ่งหน้าสู่ท้องนาหาปลาหากบกันไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่นายอาคมแล้วก็พี่เขยหาปลาหากบจากหมู่บ้านไปประมาณ 6-7 กิโลนะคะพี่เขยเดินนำหน้าตัวนายอาคมเองก็เดินตามหลัง ก็มาถึงต้นไม้ใหญ่ที่แผลกิ่งก้านสาขาร่มครึ้มขึ้นอยู่ข้างข้างถนนอยู่ต้นหนึ่งพอนายอาคมแล้วก็พี่เขยเดินผ่านต้นไม้ต้นนี้ได้ประมาณสัก 2- อสเมตรนายอาคมแล้วก็พี่เขยเนี่ยก็ได้ยินเสียงรูดกิ่งไม้ดังเพี้ยะนะคะตั้งแต่ยอดลงมาถึงข้างล่างแล้วก็มีเสียงหล่นดังตุ๊บแล้วก็มีเสียงกลิ้งคลุกๆุ ก, ก, กไปตามพื้นดินเข้าก่อหญ้าข้างทาง นายอาคมแล้วก็พี่เขยเนี่ยก็ตกใจแล้วค่ะหันหลังสองไฟไปมาก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าทันใดนั้นเองคุณผู้ฟังก็มีเสียงเหมือนอย่างครั้งแรกนายอาคมแล้วก็พี่เขยต่างก็ส่องไฟดูที่ต้นไม้ต้นนั้นอีกครั้งแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรอีกเช่นเคยค่ะทั้งทั้งที่ตะเกียงแก๊สตั้งสองดวงส่องสว่างออกโรคตอนแรกเนี่ยนายอาคมแล้วก็พี่เขยก็คิดว่าคงจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มาหากินตอนกลางคืน อยู่บนต้นไม้คงจะตกใจคนก็เลยหนีคนนะคะแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดซ้ำกันถึงสองครั้งแถมขณะมีเสียงเนี่ยกลับมองไม่เห็นอะไรเลยก็คงจะคิดว่าไม่ใช่สัตว์แล้วล่ะนะคะถ้าไม่ใช่สัตว์แล้วเป็นอะไรหรือว่าเป็นผีพอในอาคมแล้วก็พี่เคยคิดถึงเรื่องผีแค่นั้นล่ะคะ่ะทำให้สองคนนี้ถึงกับขนหัวลุก พอปรากฏมีเสียงดังกล่าวเป็นครั้งที่3ด้วยความกลัวพี่เขยนี่รีบวิ่งหนีทันทีส่วนนายอาคมค่ะถึงแม้จะมีความกลัวเช่นเดียวกันแต่ก็ปรากฏว่าก้าวขาไม่ออกการที่นายอาคมก้าวขาวิ่งหนีไม่ออกเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่านายอาคมมีความกลัวจัดก็ได้นะคะแต่ว่าสักครู่หนึ่งนายอาคมก็ก้าวขาวิ่งหนีไปได้ก็เลยวิ่งหน้าตั้งตามหลังที่เขยกลับบ้านไปติดๆพร้อมกับตะโกนให้คนช่วยบอกว่าช่วยด้วยผีหลอกนะคะ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะทั้งนายอาคมแล้วก็พี่เขยเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปหาปลาหากบแถวบริเวณต้นไม้ต้นนี้อีกเลยจนกระทั่งบัดนี้เลยนะคะมีสมัยเกือบ40ปีมาแล้วซึ่งผู้คนสมัยนั้น ในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีไม่มากเหมือนสมัยนี้นะคะขนาดแถวเชิงสะพานยศเสดด้านถนนพระรามที่หนึ่งเนี่ยก็ยังคงเปลี่ยวอยู่ปรากฏว่าตรอกวัดสามงามหรือว่าวัดชำนิหัตการซึ่งปัจจุบันเป็นตึกรามบ้านช่องเต็มตรอกแต่ว่าในอดีตดังกล่าวเนี่ยเป็นตรอกที่เปลี่ยวมาก บ้านช่องผู้คนไม่ค่อยมีสองข้างทางตรอกใหญ่ก็จะเป็นสวนเข้าไปตลอดนะคะโดยเฉพาะตรงตรอกวัดสามงามซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเขตวัดเต็มไปด้วยพระเจดีย์แล้วก็ต้นไม้ร่มครึม้มส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ร่มครึ้มเช่นเดียวกันที่ปากซอยหรือว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าตรอกนะคะกอะ็อย่าว่าแต่กลางคืนเลยแม้แต่ตอนกลางวันก็เปลี่ยวเหมือนกัน ตรงหมู่ไม้พวกนี้นี่แหละนะคะที่ปรากฏว่ามีคนถูกผีหลอกกันบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่นะคะล้วนแต่ถูกหลอกในตอนกลางคืนทั้งนั้นถ้าไม่ตอนดึกๆก็ตอนตีสี่ตีห้าใกล้รุ่งสมัยโน้นพอตกตอนค่ำนี่ก็ไม่มีคนเดินถนนแล้วยิ่งในตรอกในซอกซอยก็ยิ่งหาคนเดินยาก คิดดูก็แล้วกันน ะ, ะว่าเปลี่ยวขนาดไหนสำหรับผีที่ปากตรอกวัดสามงามนี้ก็ปรากฏน ะ, ะว่าเป็นผีที่ทาเสียงหล่นจากต้นไม้ดังตุบแล้วก็กลิ้งคลุกๆุกเข้าข้างทางหายไปเช่นเดียว ก, กันกับที่เรื่องของคุณอาคมเจอที่ภาคอีสานนะคะคือไม่เห็นตัวค่ะแต่ว่าได้ยินแต่เสียงกีร่ายกีรา ย, ก, รายก็ถูกหลอกอย่างนี้จนเป็นที่ร่าลือสาหรับคนที่อยู่ในตรอกวัดสามงามสมัยนั้น ด้วยเหตุนี้นะคะคนในตรอกวัดสามงามที่ไม่จำเป็นจึงไม่ยอมออกจากบ้านตอนกลางคืนพอตกเย็นก็กลับเข้าบ้านหมดหรือว่าในเวลากลางคืนคนที่อยู่ในบ้านถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออกมานอกบ้านโดยเด็ดขาดถ้าออกไปเนียก็จะต้องออกไปกับเพื่อนกันหลายคนถึงกระนั้นค่ะบางครั้งผู้ที่เข้าหรือออกหลายๆคนก็ยังโดนหลอกจนได้บางทีนี่ก็ได้ยินกันหมดค่ะแต่บางคนก็ได้ยินเพียงแค่คนเดียว หรือว่าสองคนก็มีแต่สำหรับที่ปากตรอกวัดสามง่มนี้นะคะนอกจากจะมีผีทำเสียงแล้วนะะบางทีค่ะผีก็ปรากฏกายให้เห็นมานั่งอยู่ที่ราวสะพานข้ามคลองตรงปากตรอกก็มีเหมือนกันค่ะจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้นะคะที่มีชาวมุสลิมอาศาัยอยู่กันอย่างหนาแน่นค่ะซึ่งอาจจะกล่าวได้นะคะว่าประชาชนมุสลิมอยู่มากเป็นอันดับหนึ่งหรือสองของประเทศไทยเลยทีเดียว โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 90% ซนนะคะเรื่องที่จะเล่าต่อนี้เกิดขึ้นที่หอพักหญิงขอสงวนชื่อนะคะเล่ากันว่าเดิมเนื้อที่บริเวณของหอพักที่เป็นที่ฝังศพของชาวมุสลิมคนมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่เผาศพนะคะก็เป็นความเชื่อทางศาสนาหากว่าในทางศาสนาพุทธก็ต้องเรียกว่าป่าช้านั่นเองก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาที่คนในหอพักก็ต้องโดนดีกันบ้างค่ะ บางคนเดินขึ้นหอพักคนเดียวกลางดึกก็มีเสียงฝีเท้าของคนเดินตามหลังแล้วก็เมื่อหันหลังมองกลับมานะคะก็ไม่มีใครเลยสักคนพอถึงตอนนั้นแล้วนะคะใครล่ะจะมัวเดินทอดน่องอยู่ได้นอกจากต้องรีบสาวเท้าเข้าห้องใครเข้าห้องมันโดยเร็วบางคนก็นอนๆอนอยู่กับเพื่อนก็มีเสียงหัวเราะ อ, ออกมากลางดึกก็นึกว่าเพื่อนจี้คอถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเปล่าแล้วใครละ่ะ ทีแรกนะคะก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเขาเล่าก็ฟังเอาไว้แต่เมื่อประสบกับตัวเองแล้วก็ต้องเชื่อร้อยเปเซ็นต์ค่ะคืนนั้นนะคะเป็นคืนวันที่31มสธันวาคม2525 25, เริ่มเข้าวันใหม่เด็กในหอพักเนี่ยก็เกือบจะกลับไปฉลองปีใหม่ที่บ้านกันหมดของทุกคนแล้วนะคะก็จะเหลือแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆรวมประมาณ10กว่าคนที่ยังไม่ได้กลับ เพราะว่าบ้านอยู่ไกลแล้วก็กระจายกันอยู่ทั้ง4ชั้นแต่ว่าตัวผู้ที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ชั้น3ห้องที่9เพียงคนเดียวเพราะว่าเพื่อนร่วมห้องกลับบ้านกันหมดถัดไปอีกคือห้องที่10ค่ะก็มีเพื่อนร่วมชั้นห้องเดียวกันอยู่แล้วก็ห้องริมสุดไปทางปีกซ้ายของหอพักมีน้องปี1อยู่ด้วยกัน 2- อสคนส่วนชั้นอื่นก็กระจายกันอยู่เช่นกันก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันเงียบเชียบดีนะคะดูเหงาเงาวางเวงไงก็ไม่รู้ รู้สึกหวาดหวาดชอบกลทีแรกว่าจะไปนอนกับเพื่อนข้างห้องแต่คิดว่านอนห้องตัวเองนี่แหละดีกว่าหลังจากกลับห้องปิดประตูหน้าต่างลงกรอนอย่างดีแล้วก็นอนอ่านหนังสือก็หลับไปค่ะทั้งที่ยังนอนเอาศีรษะไปทางเท้าแล้วก็เอาเท้าไปทางศีรษะอยู่เลยสักครู่นึงก็ได้ยินเสียงแมวร้องก็เลยลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นแมวสีดำห้า -56 ตัวค่ะวิ่งเล่นที่พื้นห้อง เจ้าของเรื่องนี้ก็บอกตกใจสุดขีดนอนตัวแข็งทื่อไม่กระดิกเลยคือตอนนั้นนับว่ากลัวจนบอกไม่ถูกแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงคนหนึ่งเดินร้องเรียกแมวว่าเมี้ยวๆมี้ย ว, ม, ยวมานะคะซึ่งในใจนี่บอกว่าหูมาแน่นอนเลยมาจากปีกซ้ายของหอพักนี่เองเธอเข้ามาในห้องของเขาได้ยังไงแล้วเข้ามาเดินอยู่ในห้องได้อย่างหน้าตาเฉยทั้งๆ ท, ท, ที่ประตูห้องนี่ปิดอยู่ผมเธอนี่ยาวดาถึงเอวนะคะปล่อยผมสวยสยายเชียว สวมเสื้อแขนกระบอกสีดำใส่ผ้าถุงสีดำเห็นหน้าไม่ชัดมายืนสลัดผ้าสีดำผืนเล็กๆที่ข้างเตียงจากนั้นก็เดินออกไปพร้อมกับแมวค่ะเจ้าของเรื่องเขาดูนาฬิกาปลุกที่หัวนอนแล้วก็ขยับตัวไม่กล้าที่จะนอนต่อก็เบิกตากว้างอยู่แบบนั้นแหละตลอดคืนใจคอก็ภาวนาเมื่อไหร่จะเช้าสักทีนะจนตีสีค่ะก็ยังคิดว่ายังมืดอยู่แต่โชคดีที่มีพี่คนนึงที่ชื่อตุม๋ม ที่อยู่ชั้นที่หนึ่งมาปลูกนะคะเพื่อที่จะขอยืมตลับเทปไปอ่านเสียงคุยของพวกเพื่อนๆที่เมาส์ พูดที่เมานะีคะแล้วก็พูดเพ้อเจ้อไม่รู้เรื่องก็ดีใจจนบอกไม่ถูกค่ะก็เลยรีบไปเปิดประตูห้องขอนอนกับพี่ตุ่มด้วยพร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นพี่ตุ่มแกก็กลัวค่ะเพราะว่าห้องที่เจ้าของเรื่องอยู่เนี่ยมีประวัตินะคะว่ามีคนงานผู้หญิงตกลงไปตายเมื่อครั้งที่สร้างหอพักนี้ยังไม่เสร็จดีแล้วเขาก็จัดการฝังศพเธอไว้ตรงที่เธอตายซะด้วย9ก้ามงเช้าค่ะเจ้าของเรื่องนี่ก็บอกว่าไปพบน้องที่ห้อง20 ซึ่งเป็นชั้นเดียวกันกับเจ้าของเรื่องนี้นะคะน้องสามคนเนี่ย ก, กำลังพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่ประสบเมื่อคืนเหมือนกันคือตรงกันจริงๆเลยเธอเล่าว่าเมื่อคืนนี้ประมาณเกือบตีสามสองคนได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเดินร้องเรียกแมวผ่านหน้าห้องเธอพอเธอเปิดประตูออกมาดูปรากฏ ว, ว่าไม่มีใครเลยตั้งแต่นั้น ตัวของเจ้าของเรื่องเองบอกว่าไม่อยู่ห้องคนเดียวละแม้แต่ว่าตอนกลางวันก็ไม่อยู่เหมือนกันก็เลยแยกย้ายกันไปอยู่หออื่นเนะะี่ะเพื่อความสบายใจถ้าใครจะถามว่าผีมีจริงหรือไม่เขาบอกได้เลยบอกว่าแล้วแต่ใครจะเชื่อหรือไม่สำหรับตัวของเขาเองคิดว่ามีอยู่จริงแน่นอนมีในรูปของวิญญาณที่ล่องลอยวนเวียนในที่ที่เขาต้องอยู่นั่นเองค่ะ เรื่องราวที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่แฟนเพจส่งมานะคะชื่อคุณตู่ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2542คุณตู่บอกว่าตอนนั้นคุณตู่อายุประมาณ12ปีมีเพื่อนสนิทมากๆอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณตุ้มคือเรียกว่าไปไหนไปกันเนี่ยนะคะเห็นคุณตู่ก็ต้องเห็นคุณตุ้มเห็นคุณตุ้มก็ต้องเห็นคุณตู่อะไรประมาณนั้นแล้วก็คุณตุ้มเนี่ยไปช่วยแม่ทาไร คุณตู่ก็เลยไปด้วยนะคะจากวันนั้นคุณตุ้มก็มาชวนไปวัดป่าช้าใกล้ๆหมู่บ้านเนื่องจากว่าแม่ของคุณตุ้มเนี่ยมาช่วยหลวงพ่อทําห้องน้ําที่วัดคุณตุ้มก็เลยมาชวนคุณตู่ไปด้วยพอถึงวัดสองคนเนี่ยก็ช่วยผู้ใหญ่ผสมปูนช่วยตักน้ําใส่ปูน พอเหนื่อยก็เลยขอตัวไปนั่งพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแต่พอสักพักหนึ่งค่ะคุณตุ้มบอกว่าหลวงพ่อนี่ให้ไปทําความสะอาดสารอยู่หน้าวัดก็เลยไปกัน2คนนี่แหละนะคะสคนนี้ก็ช่วยกันถูพื้นเช็ดพื้น ร, บรอบๆสาลาก็เรียกว่าทั้งทําทั้งเช็ดเ่ยนะคะตามประสาเด็กอายุ12ปีนะคะที่ทํางานไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยอพอทําเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ผู้ใหญ่ก็พากลับบ้าน พอตกดึกคืนนั้นแหละนะคะคุณตุ้มบอกอ๋อคุณตู่บอกว่านอนพักผ่อนปกติจนกลางดึกรู้สึกตัวเหมือนมีอะไรมาสะกิดที่ขาก็ไม่ได้ใส่ใจก็คิดว่าน่าจะเป็นยุง ก็ได้แต่สะบัดขาออกนะฮะแล้วก็เอาผ้อห่มปัดนะคะเพื่อที่จะทําการไล่ยุงออกไปเฉยๆนะคะแต่ว่าความรู้สึกนะคะว่ามีการสะกิดหรือว่ามีการเอาอเป็นเหลมๆเนี่ยมาจิ้มๆอยู่ที่ขานี่ก็ค่อนข้างนานพอสมควรก็เลยรู้สึกนําคานะคะ่ะเลยค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูแต่คุณตู่บอกว่าขออธิบายนิดนึงก่อนคือที่บ้านเนี่ยจะติดกับถนนและที่บ้านเนี่ยจะใส่ช่องลมมันก็จะมีแสงไฟจากถนนเนี่ยพอส่องให้มาเข้ามาในบ้าน เห็นลางๆนะคะคือบ้านคุณตุ้มคุณตู่เนี่ยบอกว่าไม่มีห้องส่วนตัวนะแค่เอาตู้มากัน้นแล้วก็พอลืมตาขึ้นมาค่ะก็เห็นเงาดำๆขอบตาขาวๆยืนอยู่ที่ปลายเท้ายืนจ้องหน้าอยู่ตั้งนานคุณตู่ตกใจมากค่ะไม่รู้ว่าจะดิ้นยังไงแต่ว่าไม่รู้จะดิ้นไปไหน ก็เลยตัดสินใจตะโกนเรียกแม่ลั่นบ้านเลยนะคะให้เปิดไฟให้หน่อยแม่เปิดไฟให้หน่อยก็บอกแม่เปิดไฟให้หน่อยอยู่ประมาณนั้นจนแม่เนี่ยตกใจรีบมาเปิดไฟที่เสากลางบ้านจนสว่างหมดพอสว่างแล้วนะคะก็ไม่เห็นมีเงาอะไรเลยตอนนั้นคุณตู่บอกว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็กลัวแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรร้องลั่นบ้านก็เลยบอกสิ่งที่เห็นเนี่ยให้แม่ฟังคุณแม่ก็เลยบอกว่าน่าจะตาฝาดละมัง้งนอนเถอะ พักผ่อนเถอะดึกแล้วคุณแม่บอกแต่คุณตู่ก็คิดนะคะว่าเออน่าจะตาฝาดแ น, แน่แต่สิ่งที่ทำให้ช็อกมากคือมันมีกระดูกเก่าๆชิ้นหนึ่งค่ะหัวเท่าแม่มือตกอยู่ตรงปลายเท้าตรงที่คุณตู่เห็นเงาก็เลยชี้ให้แม่ดูแม่ก็เลยรีบเก็บห่อกระดาษไว้กับหิ้งพระคืนนั้ น, นก็เลยเปิดไฟนอนทั้งคืนจนสว่าง พอถึงตอนเช้านะคะคุณแม่ก็เลยพยายามขยันขยอถามกับคุณตู่ค่ะว่าเมื่อวานไปไหนมาไปทำอะไรมาบอกแม่มาซะดีๆคุณตู่ก็เลยบอกว่าไปวัดป่าช้ามาคุณแม่ก็เลยจัดการค่ะ พาคุณตู่เนี่ยเดินทางไปหาหลวงพ่อที่วัดป่าช้านั้นแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหลวงพ่อก็เลยบอกนะ้ว่าเขาคงจะไปขอบคุณที่ทําความสะอาดสารให้เขาเพราะว่าสารนั้นก็คือสารเก็บกระดูกผีตายโหงนั่นเองพอคุณตู่บอกว่าได้ฟังแล้วยิ่งขนลุกตั้งแต่นั้นมาก็พยายามทําบุญให้เขาตลอดแล้วก็กระดูกชิ้นนั้นก็ได้ให้หลวงพ่อไว้ภายหลังนะคะทราบว่าหลวงพ่อได้เก็บไว้ในสารนั่นเองแล้วจากวันนั้นมาก็ไม่เจอเงานั้นอีกเลย แต่คุณตู่บอกว่าก็พยายามไปทำความสะอาดวัดความสะอาดสารห้องน้ำวัดตลอดแต่บอกเขานะคะว่าไม่ต้องตามมาขอบคุณหรอกนะเรากลัวเรื่องนี้นะคะถูกส่งเข้ามาทางเพจพระเจอผีโดยคุณตู่นะคะแฟนเพจที่อยู่จังหวัดนครราชสีมายังไงก็ขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะ เหตุการณ์ที่จะขอนำมาเล่านี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อตัวของอคุณกบเองนะคะยังเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆนะคะอยู่ภายในบ้านเช่าหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่คุณกบแล้็ครอบครัวได้อาศัยเมื่อราว20ปีที่ผ่านมาค่ะ ครั้งนั้นคุณกบอายุได้ประมาณ6 7ปีก็เรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนใกล้บ้านในจังหวัดนนทบุรีนะคะเกือบทุกวันหลังเลิกเรียนก็จะกลับมาถึงบ้านก็มักจะไปนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่เปลยวนซึ่งพ่อของเขาได้ผูกไว้ที่ใต้ถุนบ้านโดยลักษณะ ข, ของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงปลูกอยู่ในสวนย่านบางบัวทองค่ะทุกครั้งที่ลงมานอนเล่นที่เปลนี้ ก็มักจะรู้สึกเพิ่มหลับไปอย่างเพลิดเพลินและระหว่างที่กำลังเข้าสู่ภาวะง่งก็มักจะฝันถึงหญิงสาวสวยคนหนึ่งปรากฏกายขึ้นไม่ห่างจากเกลที่ตัวของคุณกบนอนอยู่นะคะหญิงสาวในฝันนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากผิวขาวเปล่งปลั่งใบหน้าหวานซึ้งนะคะในตาแล้วก็รอยยิ้มเปลี่ยนไปด้วยไมตรีจิต ที่ทำให้เด็กหญิงตัวน้อยๆ น, นะคะอย่างคุณกบเนี่ยก็รู้สึกถึงความอบอุ่นใจในมิดไมตรีเป็นอย่างดีเธอมักจะอยู่ในชุดไทยสีเขียวอ่อนพาดสบยเฉียงสีเหลืองดูงดงามแล้วก็มักจะมานั่งไกวไปเปรย์พร้อมกับร้องเพลงขับกล่อมให้ฟังในความฝันอยู่เสมอโดยคุณกบบอกว่าน้ำเสียงของหญิงสาวในชุดไทยเนี่ยช่งางไพเราะสนหูเหลือเกินสาหรับตัวของคุณกบมันก็ฟังดูเยือกเย็นน่าเป็นสุข ซะจนทําให้เกิดความรู้สึกอยากจะมีน้ําเสียงที่ไพเราะและอยากร้องเพลงเพราะเช่นเดียเช่นเดียวกันกับหญิงสาวคนนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปนะคะในช่วงแรกๆค่ะที่ฝันเห็นหญิงสาวมานั่งไววิร์ร้องเพลงขับกล่อมตัวของคุณกบเองก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่เมื่อเริ่มฝันเห็นหญิงสาวคนนี้บ่อยเข้าประกอบกับเมื่อพ่อแม่สังเกตเห็นว่ามักจะไปหลับที่เปลอยูวนใต้ถุนบ้านอยู่เสมอก็เลยถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงชอบไปนอนที่เปลนั้นนะัก ก็เลยได้เล่าความฝันประหลาดนั้นให้พ่อกับแม่แล้วก็ย่าฟังซึ่งเมื่อทุกคนรับรู้ถึงคำตอบต่างก็งุนงงแล้วก็ตีความไปต่างๆนานาค่ะสิ่งหนึ่งที่ผู้เป็นย่าของคุณกบคำานึงนั่นก็คือเรื่องของผีบ้านผีเรือนและนางไม้ซึ่งข้อคำหนึ่งของย่าได้สร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับผู้เป็นพ่อและเป็นแม่ของคุณกบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเพราะกลัวว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงนะคะก็อาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นเพราะหากมีผีสางนางไม้เกิดรักเกิดชอบพอหรือว่าเอ็นดูเด็กมากขึ้นจนเกินเหตุก็อาจจะต้องการตัวไปอยู่ด้วยก็เป็นได้เมื่อคิดได้เช่นนั้นค่ะพ่อ ของคุณกบเองที่เป็นคนที่เชื่อถือในเรื่องทำนองพวกนี้ก็เลยได้ปลดเปลยยนนั้นออกจากเสาไม้ใต้ถุนบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวของคุณกบเองเนี่ยไปนอนหลับที่นั่นได้อีกพร้อมกับสั่งห้ามนะคะว่าไม่ให้ไปเล่นใกล้ๆบริเวณนั้น นับตั้งแต่นั้นมาจนย่างเข้าสู่วัยสาวตัวของคุณกบเองก็ไม่เคยฝันเห็นผู้หญิงในชุดไทยผู้งามสง่ามาขับขานเสียงเพลงกล่อมเธออีกเลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเย็นวันนั้นขณะที่พ่อแม่แล้วก็ทุกคนออกไปธุระนอกบ้านกันหมดก็มีเพียงคุณย่าคนเดียวเท่านั้นกำลังนอนอ่านหนังสืออยู่บนบ้านตัวของคุณกบเองค่ะมานั่งอ่านหนังสืออ่านเล่นอยู่ที่ใต้ถุนเพียงลาพัง ขณะที่กําลังก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือด้วยความเพลิดเพลินอยู่นั้นพลันหางตาก็เหลือบไปเห็นภาพภาพหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นที่ข้างเสาไม้ซึ่งเคยใช้เป็นหลักหน้าสําหรับผูกเปลยยวนเมื่อครั้งอดีตสมัยยังเป็นเด็กนะคะภาพที่ปรากฏนั้นมีลักษณะคล้ายกับใครสักคนหนึ่งกําลังยืนนิ่งสงบอยู่สัญชาติตยานในขณะนั้นสั่งให้คุณกบต้องปรายตาขึ้นมามองเพื่อความชัดเจนแล้วก็ในทันทีที่สายตากระทบร่างที่ยืนนิ่งงันอยู่ไม่ห่างไปนัก ตัวองคุณกบเองถึงกับต้องเบิกตากว้างด้วยอาการตะลึงพึงเพลิดกับสิ่งที่เห็นเพราะนั่นคือร่างของหญิงสาวผิวขาวเปล่งปลั่งในใบหน้าสวยงามแล้วก็ผมยาวสลวยทอดสยายไปถึงแผ่นหลังกำลังยืนจ้องมองตัวกบอยู่นะคะ ชุดไทยสีเขียวอ่อนแล้วก็สบายสีเหลืองที่หญิงสาวคนนั้นสวมใส่มันทำให้จาได้ถนัดตาค่ะว่าเธอเป็นคนคนเดียวกันกับที่เคยฝันเห็นในวัยเด็กและก็มั่นใจอย่างแน่นอนว่าหญิงสาวคนนั้นนะคะไม่มีทางที่จะเป็นคนปกติธรรมดาอย่างเราไปได้แน่ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณกบต้องกรีดร้องออกมาสุดเสียงสติก็ดับฟุบลงไปเมื่อหญิงสาวคนนั้นทาท่าจะเดินตรงเข้ามาหา คุณกบไม่สามารถรับรู้อะไรได้นอกเหนือจากนั้นมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงย่าเรียกและเขย่าตัวเพื่อปลุกให้ตื่นนะคะแล้วก็ฟื้นสติกลับมาอีกครั้งหนึ่ง พ่อกับแม่แล้วก็ย่าพาคุณกบไปรถน้ำมนต์แล้วก็ทำบุญตามความเชื่อเพราะอย่างน้อยค่ะมันก็ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างและต่อมาอีกไม่นานค่ะก็ตัดสินใจที่จะย้ายออกจากบ้านกลางสวนหลังนั้นทั้งที่เคยอยู่อาศัยมานับสิบปีไม่มีใครทราบหรือบอกได้เลยนะคะว่าหญิงสาวที่มาปรากฏในความฝันในวัยเด็กและมาให้เธอได้สัมผัสด้วยสายตาจริงๆในเย็นนั้นเป็นใคร แต่เมื่อถึงวันนี้นะคะคุณกบบอกว่าเชื่อว่าหญิงสาวคนนั้นน่าจะเป็นนางไม้ที่สิงสถิตยอยู่ในต้นเสาต้นใดต้นหนึ่งที่ใต้ถุนบ้านซึ่งพ่อได้ผูกเปลยวนไว้เมื่อครั้งสมัยที่คุณกบยังเป็นเด็กนั่นเองค่ะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเรื่องราวต่างๆในช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจช่องพระเจอผีช่องเล็กๆช่องนี้แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับตัวของบีเองค่ะสามารถที่จะไปกดถูกใจแฟนเพจใน Facebook ของเราได้นะคะที่ www.facebook. บดอพระเจอผี กลับมาเจอะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ